สตานีวีดิวครอบกลุ่มข่าวส่วนตร้อยเฟมร้ข้าพเจ้าพระมหามัยบุญพิปุโนโนวันนี้เรามาฟังนิทานธรมธรมบทธรรมฟังเป็นเรื่องราวของสามเณรรูปหนึ่งคือท่านพระสารีบุตรเนี่ยมีสามเณรที่เป็นอุปถาท่านอยู่หลายๆรูปคือก็อาจจะมีวาระเดียวกันหรือต่างวาระกันนี่เป็นสามเณรที่ชื่อว่าบัณฑิตสามเณรรูปนี้ มีความพิเศษเต็ตมห่ฟังคือท่านได้ทำบุญกุศลไว้ในการก่อนเรื่องนี้เราได้ฟังแล้วเมื่อวานเป็นเรื่องของนายทุกขตาบุคคลก็คือสามเณรบัณฑิตในชาติก่อนนั้นละเกิดเป็นคนเข็นใจแต่ว่าก็ได้สร้างบุญสร้างกุศลในสมัยก่อนนั้นก็คืออยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนแล้วก็ได้สร้างบุญสร้างกุศลถวายทานได้เป็นมหาเศรษฐีในชาตินั้น หลังจากหมดอายุขัยแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่พุทธันดรนหนึ่งคำว่าพุทธันดรนหนึ่งนั้นก็คือช่วงเวลาที่ไม่ได้มีพระพุทธเจ้าห่างกันและในช่วงนี้ท่านเกิดไปเกิดเป็นเทวดาพอในพุทธบุตรบัติการคือในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระสมณะโคดมเนี่ยเทวดานี้ก็มาเกิดเป็นบัณฑิตสามนเณรและในชาตินั้นเป็นชาติสุดท้ายของท่านท่านผู้ฟัง สามารถบรรลุถ้ำขั้นสูงได้รามาฟังเรื่องราวตอนต่อไปของบัณฑิตสามเณรซึ่งเวลาที่ท่านอยู่ในท้องเนี่ยอาการแพ้ท้องของแม่ท่านก็ค่อนข้างประหลาดทีเดียวอยากจะกินอาหารที่เป็นเดรนของภิกษุที่ตัวเองได้ทําถวายแล้วก็ต้องเป็นอาหารบระนีด้วยในตอนก่อนที่ได้พูดถึงชาติก่อนของบัณฑิตสามเณรนี้คือชาติที่เกิดเป็นนายตุ๊กตาบุคคลเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้ก็คือว่าในการชักชวนผู้อื่นไปนในการให้ทานแต่คนที่เป็นบัณฑิตชักชวนผู้อื่นให้ทานถ้าเขามีความฉลาดแต่ในการที่ชักชวนเนี่ย น, น, น้อยก็ขอให้ทํามากก็ขอให้ทําตามกําลังอันนี้ก็จะเป็นต่างมาแห่งบุญได้ในทุ๊กตานี้ถ้าบอกว่าไม่ได้มีบุคคลที่เป็นบัณฑิตในการชักชวนในการให้ทานนั่นคือเขาปฏิเสธไปแล้วในครั้งแรกแต่บัณฑิต ผู้โขนควายในทานนั้นก็ชักชวนเขาอีกนะ่ให้รู้จักฉลาดในการคิดในการทํางานเขาจึงได้มีโอกาสทําขึ้นเราก็ได้บุญเป็นมหาสารในเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังท่บอกว่าในโลกนี้ยังมีคนที่ปฏิบัติตามมาเร่ ม, มากมีองค์แอยูนะ่เนื้อนามบุญนี้ยังมีอยู่นะในเราทําจะมีความดีทั้งเรื่องของการให้ทานก็ได้รักษาศีลเจริญภาวนาและนี้ดีทั้งสิน้น เดีมาฟังเรื่องของบัณฑิตสามเณรในตอนจบกันธรรมบทแปลเรื่องบัณฑิตสามเณรพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบบัณฑิตสามเณรตรัระธรรมเทศนานิวาอุทกันหินยันติเนติกาอุสุการานะมะ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 เสวยทิพยาสมบัติสิ้นพุท ธ, ธันดรดหนึ่งในพุทธุ ป, ปาธการานี้ชุติจากนั้นแล้วถือปฏิชนที่ในท้องทิดากลโตในตระกูลอุปตากของพระสารีบุตรเทระในกรุงสาวัตถีดังนั้นมารดาบิดาของนางทราบความที่นางตั้งครร จึงได้ให้เครื่องบริหารกันในสมัยอื่นนางเกิดแพ้ทองเห็นป่านนี้ว่าโอ้เราพึงถบายทานแก่ภิกษุห้าร้อยรูปตั้งต้นแต่พระธรรมเสนาบดีด้วยรถปลาตะเพียนแล้วนุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดนั่งในที่สุดอาสนะบริโภคพัดที่เป็นเดนของภิกษุเหล่านั้น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 เด็กชายบัณฑิตเทิดพระเตระจึงได้ให้สิกขาบททั้งหลายแล้วก็ตั้งแต่วันที่เด็กชายบัณฑิตเกิดมาความคิดได้เกิดขึ้นแก่มารดาของเ่าว่าเราจะไม่ทำลายอัธยาศัยของลูกของเราก็ในเวลาที่เด็กชายบัณฑิตนั้นมีอายุได้เจ็ดขวบเขากล่าวกับมารดาว่าคุณแม่ กระผมจะบวชในสำนักของพระเทระมารดาจึงได้กล่าวว่าพ่อเอ๋ยแม่นึกไว้แล้วอย่างนี้ว่าจะไม่ทำลายอัทยาศัยของเจ้าเนนี้แล้วมารดาจึงนิมนต์พระเถระให้ฉันแล้วจึงกล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าข้าแต่ท่านผู้เริญท่าดของท่านอยากจบวช ดิฉันจะนำเด็กนี้ไปวิหารในเวลาเย็นมารดาส่งราเทระไปแล้วให้หมู่ญาติประชุมกันแล้วกล่าวขึ้นว่าพวกข้าพเจ้าจะทำสักการะที่ควรทำแก่บุตรของข้าพเจ้าในเวลาเป็นเครือหันในวันนี้ทีเดียวดังนี้แล้วก็ให้ทำสักการะมากมายพาเด็กชายบัณฑิตนั้นไปสู่วิหาร ได้มอบถวายแก่พระเถระด้วยคำว่าขอท่านจงบวชให้เด็กคนนี้เถิดเจ้าข้าพระเถระบอกความที่การบวชเป็นกิจที่ต่าได้ยากแล้วเมื่อเด็กรับรองว่าจะทําตามโอวาทจึงได้กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงมาเถิดพระเถระจุบผมของเด็กนั้นให้เปียกแล้ว บอกกรรมฐานทั้งห้าแล้วก็ได้ให้บวชแม้มารดาบิดาของบัณฑิตสามเณรนั้นอยู่ในวิหารนั่นเองสิ้นเจ็ดวันแล้วถวายทานแก่พิกสุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยรถปลาตะเพียนอย่างเดียวในวันที่เจ็ดเวลาเย็นจึงได้กลับไปเรือนในวันที่แปดพระเทระ เมื่อจะไปภายในหมู่บ้านพาสามนเณรนั้นไปไม่ได้ไปกับหมู่ภิกษุข้อนั้นพระเหตุไรพระเหตุว่าการหน่มจีบอลและถือบาตรหรืออรียบทของสามนเณรนั้นยังไม่น่าเลื่อมใสก่อนอีกอย่างหนึ่งข้อวัดที่พึงทาในวิหารของพระเถระก็ยังมีอยู่อันหนึ่ง พระเตระเมื่อภิกษุสงฆ์เข้าไปภายในหมู่บ้านแล้วเที่ยวไปทั่ววิหารกว่าที่ที่ยังไม่ได้กวาดตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ในภาชนะที่ว่างเปล่าเก็บเตียงและตัางเป็นต้นที่ยังเก็บไว้ไม่เรียบร้อยแล้วจึงได้เข้าไปในหมู่บ้านในภายหลังอีกอย่างหนึ่งพระเตระมีความคิดว่า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 ถือปาและจีวรเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อบินบาตในเวลาสายหน่อยสามเณรเมื่อไปกับพระอุปชาเห็นเหมืองในระหว่างทางจึงเรียนถามพระอุปชาว่านี่คืออะไรหรือครับพระเถระอันนี้ชื่อว่าเหมืองสามเณรเขาทําอะไรด้วยเหมืองนี้ครับท่านเขาไขาน้ําจาก ที่นี้ที่นี้แล้วทำการเกี่ยวด้วยข้าวกล้าของตนก็น้ำมีจิตหรือไม่ครับน้าไม่มีจิตหรอกสามเณรกคชนทั้งหลายย่อมไขน้ำที่ไม่มีจิตเห็นปานนี้สู่ที่ที่ตนปรารถนาแล้วปรารถนาแล้วได้หรือครับได้สิสามเณรสามเณร น, นั้นมีความคิดว่ า, วาถ้าคนทั้งหลาย ไขน้ำซึ่งไม่มีจิตแม้เห็นป่านนี้สู่ที่ที่ตนปรารถนาแล้วปรารถนาแล้วทำการงานได้เหตุไฉ น, นคนที่มีจิตแท้จะไม่อาจเพื่อทำจิตของตนให้เป็นไปในอำนาจแล้วมันเป็นสมณธรรมดังนี้สามเณรก็เดินต่อไปเห็นพวกช่างสอนกำลังเอาลูกสอนหล่นายแล้ว เลงด้วยหางตาดัดให้ตรงจึงเรียนถามพระเทระาว่าพวกนี้ชื่ออะไรกันครับนี้เรียกว่าช่างสอนสามเณรก็พวกเขาทําอะไรกันครับเขาล่นที่ไฟแล้วดัดลูกสรให้ตรงก็ลูกสร น, นั้นมีจิตหรือไม่ครับไม่มีจิตหลอกสามเณรสามเณรนั้นมีความคิดขึ้นว่า พระุกคนทั้งหลายหรือเอาลูกศร อ, อันไม่มีจิตหล่นไฟแล้วดัดให้ตรงได้เพราะเหตุไรแม้คนที่มีจิตจึงจะไม่อาจเพื่อทำจิตของตนให้เป็นปัญญานาจแล้วบำเป็นสมณธรรมเล่าสมเณรนั้นคิดอยู่อย่างนี้แล้วก็เดินต่อไปเห็นชนถากไม้ทำเครื่องธบสัมภระ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 แล้วบําเพนสมณธรรมเล่าสามเณรเห็นเหตุเหล่านี้แล้วจึงเรียนกับพระเถระว่าไต้เท้าขอรับถ้าไต้เท้าจะถือเอาบาตรและจีวรของไต้เท้าได้กระผมจะพึ่งลากลับพระเถระมิได้เกิดความคิดเลยว่าเจ้าสามเณรตัวเล็กนี้บวชได้หยกหยกเดินตามเรามามากล่าวอย่างนี้ได้อย่างไร แพระเตระกลับกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าถ้ราะอย่างนั้นเอามาเถิดสามเณรจะได้รับบาและจีวรของตนไว้่ายสามเณรว่ายพระอุปัชาแล้วเมื่อจะกลับจึงเรียนว่าได้เท้าครับเมื่อจะนําอาหารมาเพื่อกระผมพึงนําอาหารที่มีรสปลาทะเพียนมาเถิดกรับพระเตระ ก็ฉันจะได้ในที่ไหนเล่าสามเณรสามเณรเรียนว่าก็ทาไม่ได้ด้วยบุญของใต้เท้าก็จะได้ด้วยบุญของกระผมกรับพระเถระมีความคิดว่าแม้อันตรายจะพึงมีแก่สามเณรตัวเล็กผู้นั่งอยู่ข้างนอกจึงได้ให้กุญแจลูกดานไปแล้วบอกกับสามเณรว่าเธอควรเปิดประตู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 ได้แสดงอาการร้อนด้วยเดชแห่งคุณของสามเณร น, นั้นเท้าเธอจึงใครกุนว่าจะมีเหตุอะไรกันเนาะทรงดำริว่าบัณฑิตสามเณรถวายบาทและจีวรแก่พระอุปชาแล้วกลับไปด้วยตั้งใจว่าจะทำสมณธรรมแม้เราก็ควรไปในที่นั้นและนี้แล้วจึงได้ตรัส เรียกเท้ามหาราชทั้งสี่มาแล้วตรัสว่าพวกท่านจงไปไล่นกที่มีเสียงบินจอแจอยู่ในป่าใกล้วิหารให้หนีไปแล้วเฝ้าอาราขาไว้โดยรอบตรัสกับจันทเทพบุตรว่าท่านจงสุดรังมณทนพระจันทร์ไว้ตรัสกับสุริยะเทพบุตรว่าท่านจงสุดรัง มนทนของพระอาทิตย์ไว้ังนี้แล้วตัวพระองค์เองก็เสด็จไปประทับยืนเฝ้ารักขาอยู่ที่สายอยู่ในวิหารแม้เสียงแห่งใบไม้แก่ก็ไม่มีจิตของสามเณรได้มีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วเธอพิจารณาอัตภาพแล้วบรรลุผลสามอย่างในเวลาระหว่างพัดนั่นเอง ฝ่ายพระเตระมีความคิดว่าสามเณรนั่งแล้วในวิหารเราอาจจะได้โภชนะที่สมประสงค์แก่เธอในสกุลชื่อนอนนันนี้แล้วจึงได้ไปสู่ตระกูลอุปถากซึ่งประกอบด้วยความรักและความเคารพตระกูลหนึ่งก็ในวันนั้นมนุษย์ทั้งหลายในตระกูลนั้นได้ปลาตะเพียนหลายตัว นั่งดูการมาแห่งพระเทระอยู่ทีเดียวพวกเขาเห็นพระเทรักษ์กลังมาจึงกล่าวว่าท่านขรับท่านมาที่นี้ทํากรรมที่ดีแล้วแล้วจึงนิมนต์ให้เข้าไปภายในเรือนถวายข้าวยากูและของกวนเคี้ยวเป็นต้นแล้วได้ถบายบินบาบด้วยรถปลาตะเพียนพระเทระแสดงอาการ ที่จะนำกลับไปพวกมนุษย์ในเรือนจึงกล่าวขึ้นว่านิมนฉันเถิดครับใต้เท้าจะได้พัดตื่นสําหรับจะนํากลับไปก็ในเวลาที่เสร็จภารกิจของพระเทระชนในเรือนนั้นได้เอาโพชนะประกอบด้วยรถปลาตะเพียนใส่เต็มบาดถบายแล้วพระเทระมีความคิดว่าสามเณรของเราจะหิว จึงได้รีบกลับวิหารตอนพระศาสดาทรงทำการอรารักขาสามเณรก็แม้พระศาสดาในวันนั้นสเสวยพระตาหารแต่เวลาเช้าทีเดียวเสด็จไปวิหารทรงไครกรวนว่าก็วันนี้บัณฑิตสามเณรให้บาตรและจีวรแก่พระอุปชาแล้วจึงกลับไปวิหารด้วยตั้งใจว่าจะทำสมณธรรม กิจแห่งบันปชิตของเธอจะสำเร็จหรือไม่เมื่อทรงทราบว่าสามเณรบรรลุผลสามแล้วจึงทรงพิจารณาต่อว่าอุปนิสัยแห่งพระอารหันต์จะมีหรือไม่ก็เมื่อทรงเห็นว่ามีจึงทรงไคร่กลวนต่อไปว่าก็เธอจะอาจเพื่อบรุอารหันต์ก่อนเวลาพัดทีเดียวหรือน้อแลหรือจะไม่อาจ ก็เมื่อส่งทราบว่าจะสามารถบรรลุได้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้มีความปริพิตรขึ้นบ่าสารีบุตรถือพัดเพื่อสามเณรรีบเดินทางมาเธอจะพึงทําอันตรายแก่สามเณร น, นั้นก็ได้เราจะนั่งถืออารักขาอยู่ที่ซุ้มประตูที่นั้นจะถามปัญหาสี่ข้อกับเธอเมื่อสารีบุตรแก้ปัญหานี้อยู่ สามเณรจะจบรรลุพระอารหัสต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทา่นนี้แล้วจึงเสด็จไปจากวิหารนั้นประทับยืนอยู่ที่ซุ้มประตูตรัสถามปัญหาสีข้อกับพระเถระผู้มาถึงแล้วพระเถระแก้ปัญหาที่พระศาสดาตรัสถามแล้วก็ในปัญหานั้นมีปุจฉาวิสัชนานั่งต่อไปนี้ ได้ยินว่าพระาศาสดาตรัสกับพระเถระนั้นว่าสารีบุตรเธอได้อะไรมาได้อาหารมาพระชจ้าขสารีบุตรชื่อว่าอาหารย่อมนำอะไรมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาหารย่อมนำเวทนามาพระชจ้าข้าสารีบุตรก็เวทนาย่อมนำอะไรมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เวทนาย่อมนำรูปมาพระชกฆ่าสารีบุตรก็รูปย่อมนำอะไรมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรูปย่อมนำผัสสะมาพระชกฆ่าก็ในปานา น, น, นมีคำอธิบายอย่างนี้คือจริงอยู่อาหารอันคนหิวบริโภคแล้วกำจัดความหิวของเก่าแล้วนำสุ ข, ขเวทนามาให้ ก็เมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นแก่ผู้มีความสุขเพราะการบริโภคอาหารวันนสมบัติย่อมมีในสรีระเวทนาชื่อว่าย่อมนำรูปมาด้วยอาการอย่างนี้ก็ผู้มีสุขก็สุขโสมนัสด้วยอำนาจรูปที่เกิดจากอาหารนอนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามย่อมได้สุขสัมผัส ด้วยคิดว่าบัดนี้อาสาทะเกิดขึ้นแก่เราแล้วตอนสามเณรบรรลุอรัตผลก็เมื่อพระเทระแก้ปัญหาทั้งสี่ข้อเหล่านี้อย่างนั้นแล้วสามเณรก็ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาฝ่ายพระสัสดาตรัสกับพระเทระว่า ไม่เถิดสารีบุตรจงให้พัดแก่สามเณรของเธอพระเทระไปเคาะประตูแล้วสามเณรออกมารับบาดจากมือพระเทระวางไว้นะที่ส่วนข้างหนึ่งแล้วจึงเอาพัดก้านตาลพัดพระเทระลำดับนั้นพระเทระจึงได้กล่าวกับสามเณรว่าสามเณรเธอจงทำพัฒกิจเสถิด แล้วใต้เท้าเราก็รับเราทำพัฒกิจเสร็จแล้วเธอจงฉันเถิดก็เด็กอายุเจ็ดขวบบวชแล้วในวันที่8บรรลุพระรหเป็นเหมือนดอกบัวที่ยามแล้วในขณะนั้นได้นั่งพิจารณาที่เป็นที่ใสพัดทำพัฒกิจแล้วในขณะที่เธอล้างบาทเก็บไว้ฉันทะเทพระบุตร ได้ปล่อยมนทนประชัน์สุริยะเทพประบุตรได้ปล่อยมนทนพระอาทิตย์ธามาราทั้งสี่เลิอาราาักขาทิศทั้งสี่เท้าสกัดเทวราชเลิอารักขาที่สายอยู่พระอาทิตย์เคลื่อนคล้อยไปแล้วจากที่ท่ามกลางตอนธรรมดาบัณฑิตย่อมฝึกตนพิฆสูตรทั้งหลายพนธนาว่า เงาเวลาบ่ายเกินประมาณแล้วพระอาทิตย์เคลื่อนคล้อยไปท่ามกลางท้องฟ้าก็สามเณรพิ่งฉันเสร็จเดียวนี้เองเรื่องนี้อะไรกันเนาะแลพระสัสดาทรงทราบความเป็นไปนั้นแล้วเสด็จมาตรัสถามพวกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันเมื่อพวกภิกษุกล่าบทูลถึงเรื่องนั้นแล้ว พระศาสดาได้ตรัสขึ้นว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายในเวลาผู้มีบุญทำสมณธรรมจันทาเทพบุตรจุดมณฑลพระจันทร์รังไไวสุริยะเทพบุตรจุดมณฑลพระอาทิตย์รังไว้้ามหาราชทั้งสี่ถืออารักขาทั้งสี่ทิศในป่าใกล้วิหารท้าวสังกะเทวราชสเสด็จมายึด อารักขาที่สายอยู่ถึงเราผู้มีความควรขวายน้อยด้วยนึกเสียว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เพื่อจะนั่งอยู่ได้ยังได้ไปคอยอรารักขาเพื่อบุตรของเราที่ซุมประตูพวกบัณฑิตเห็นคนขาน้ำกำลังขาน้ำไปจากเหมืองช่างสอนกำลังดัดลูกสอนให้ตรงและช่างถา กำลังตากไมายแล้วถือเอาเหตุเท่านั้นให้เป็นอารมณ์ฝึกตนแล้วย่อมยึดเอาพระอารหัตไว้ได้ทีเดียวดังนี้แล้วเมื่อจะส่งสืบอนุสนิ่แสดงธรรมจึงได้ตรัสพระกาตานิว่าอุทะกันหินยันติเนติกาอุสุการานะยันติเตชนัง กรุงนามยันติตัจกาอั ต, ตานังธรรมยันติบันติตาแปลว่าอันคนไข้น้ำทั้งหลายย่อมไขนม่น้ำช่างสอนทั้งหลายย่อมดัดลูกศรช่างถากทั้งหลายย่อมตากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนตอนแก้อัดเนบนาคำเหล่านั้น คำว่าอุทกังแปลว่าน้ำหมายความว่าส่วนทั้งหลายขุดที่ดอนบนแผ่นดินถมที่เป็นบ่อแล้วทำเหมืองหรือวางรางไม้ไว้ย่อมไขน้ำไปสู่ที่ตนต้องการต้องการเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้ไขน้ำคำว่าเตชนังคือสอนได้แก่ลูกสอน มีพระพุท ธ, ธาธิบายตรัสไว้อย่างนี้ว่าพวกคนขายน้ำย่อมขายน้ำไปตามชอบใจได้แม้ช่างสอนก็ย่อมลนดัดลูกสอนคือทำให้ตรงถึงช่างถากเมื่อจะถากเพื่อเป็นประโยชน์แกทัพระสัมภาระมีกงเป็นต้นย่อมตัดไม้คือทำให้ตรงหรือคต ตามชอบใจของตนบันดิตทั้งหลายทำเหตุมีประมาณเท่านี้ให้เป็นอารมณ์อย่างนั้นแล้วทำมักมีโสนาปฏิมักเป็นต้นให้เกิดขึ้นอยู่ย่อมชื่อว่าฝึกตนแต่เมื่อบรรลุพระราดแล้วย่อมจัดว่าฝึกแลโดยสิ้นเชิงในเวลาจบธรรมเทศนาชนเป็นนันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องบัณฑิตสามเณรจบในเรื่องของบัณฑิตสามเณร น, น, นี้สิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเจนทั้งผู้ฟังนั่นคือเรื่องของการปฏิบัติซึ่งบัณฑิตคือหมายถึงผู้ที่มีธรรมสงไว้ในใจมีการปฏิบัติธรรมให้เกิดขึ้นในใจ ซึ่งบัณฑิตนี้มีความหมายที่แตกต่างกันอยู่กับความว่านักปราศนะคนที่เป็นนักปราศอาจจะมีความรู้มากแต่อาจจะไม่ได้เป็นบัณฑิตก็ได้ประมาณ น, นักปราศที่มีความรู้มากแล้วความรู้นั้นเป็นงูพิษเป็นพิษที่ทำให้เกิดการทำลายล้างใจิตใจแทนที่จะมีราคาโทสะโมหะลดลงแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไห น, น, นก็ไม่ได้ว่าเป็นบัณฑิตแต่เป็นลักษณะของคนผ่าน คือความรู้นั้นเป็นงูพิษแต่ถ้าบัณฑิตนั้นจะมีความรู้เรียนจบสูงหรือไม่ได้มีความรู้เรียนจบสูงอันนี้ไม่เป็นไรแต่อยู่ที่บ่าในใจนั้นมีธรรมะหรือไม่ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนด้วังนี่คือเรื่องสำคัญในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเน้นถึงเรื่องของการฝึกปฏิบัติที่จะทำให้ธรรมะเกิดขึ้นในใจของเราไม่ใช่เพียงแค่คิดนึกตรึตรกเอาเพราะว่า เพียงแค่การคิดนึกตรีตรึกเนี่ยมันยังเป็นสัญญาอยู่ยังเป็นเพียงความหมายรู้ซึ่งสัญญาหรือความหมายรู้นั้นมันไม่เกิดความยึดถือได้เป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์แต่ถ้าเราเอาสัญญาหรือความหมายรู้นั้นทาให้เข้ามาสู่ในใจการที่สัญญาความหมายรู้ในทางคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเช่นเรื่องของการเนความไม่เที่ยงเห็นความเป็นของปฏิกูลอย่างกรณีของท่านพระสารีบุตร สอนสามนเณรตอนที่บวชใหม่ๆเนี่ยมีการใช้คำว่า ก, กรรมฐานหซึ่งในที่นี้ก็คือผมขนเล็บฟันหนังซึ่งภิกษุทุกรูปในสมัยปัจจุบันเนี่ยก่อนที่จะบวชอุปชาก็จะต้องสอนเรื่องกรรมฐานหน้าให้เห็นผมขนเล็บฟันหนังมีลักษณะของความเป็นปฏิกูลในร่างกายของเรานี่คือลักษณะของสัญญาเรียกว่าสุภาสัญญาสัญญาแบบนี้ เรามาใกล้กรวนพิจารณาบ่อยๆเนี่ยด้วยจิตที่เป็นสมาธิแล้วในการกระทําตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นการพิจารณาก็จะทําให้เกิดปัญญาขึ้นได้ปัญญาที่เกิดขึ้นก็จะทําให้ราคะโสดาโามะที่อยู่ในใจนั้นมันเบาบางลงไปหลุดไปล่อไปเป็นลักษณะของการฝึกตนเหมือนกับชาวนาที่เขาไถน้ำเข้านาวิดน้ําด้วยกังหันน้ำกทีละนิดทีละนิดนะมันก็ เปลี่ยนทิศทางของน้ําได้ไปตามทิศทางที่เขาต้องการได้ช่างสอนเขาเอาลูกศรที่มันไม่ตรงแต่มันมลนไฟเลงด้วยหางตาดัดทีละนิดละนิดมันก็ตรงขึ้นมาได้จ่างตากไม้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเช่าาเ น, น, เ, น, นชเดียวกันเราค่อยพิจารณาไปทําความเข้าใจไปด้วยลักษณะจิตที่เป็นสมาธิจิตจะเป็นสมาธิได้ก็ต้องตั้งสติขึ้นเราจะตั้งสติขึ้นได้ศีย คือความเป็นปกติต่งางกายทางวาจาเราก็ต้องรักษาให้ดีพอเรามีการรักษาศีลเป็นอย่างดีมีความเป็นปกติทางกายทางวาจาแล้วก็จะไม่มีความร้อนใจพะความร้อนใจมันไม่มีเราก็ตั้งสติขึ้นได้พอเราตั้งสติขึ้นได้จิตใจก็เป็นสมาธิละจิตใจเป็นสมาธิแล้วมาพิจารณาตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้อย่างกรณีเดียวกันกับบัณฑชามณีนี่แหละ เห็นธรรมะต่างๆแล้วแต่คนที่ทำบุญมาเนี่ยเห็นเรื่องอะไรนิดอะไรต่างมันก็เป็นธรรมะไปหมดทั้งฝั่งมีอยู่ในชีวิตประจําวันของเราแน่นอนเรื่องของธรรมานี้โดยอย่างสามเณรไปบินตบาทวันแรกเห็นชาวนาเขาไหน้ำวิดน้ําข้าวนาเห็นช่างสอนเขาดัดลูกศรเห็นช่างถากไม้เขาถากไม้ทําเป็นเกวียนล้อเกวียนก็ยังมีปัญญาเป็นธรรมะเกิดขึ้น ในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นอันนี้ให้เป็นคติสอนใจในมุ่ังว่าบัณฑิตผู้ที่มีการฟังธรรมะอยู่เนืองนิดจะต้องมีการฝึกตนฝึกตนด้วยตนนั่นแหละเป็นสิ่งดีข้าพเจ้าพระมาหาไพบุญนาผิปุณโณจาวัดปาดอไหโสกจุริญทรน